เสียงอ่านหนังสือรู้จักพระไตรปิฎกให้ชัดให้ตรงกรณีพระคึกฤทธิ์โดยพระพรมคุณาพรปอประยุตโตหรือปัจจุบันสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุธ์ประยุตโตเสียงอ่านโดยชมรมผลดีธรรมทานเพื่อการศึกษาธรรมมีนาคมพุทธศักราช2558 รรหนังสือนี้ถือว่าเขียนพอเสร็จให้อ่านไปพลางก่อนเพราะเรื่องที่ปรารบเกิดขึ้นนานแล้วจึงทราบควรเร่งให้ความรู้กันไปขั้นหนึ่งก่อนไม่ให้เป็นความประมาทเมื่อใดทราบเรื่องราวที่เป็นไปละเอียดขึ้นถ้าเวลาอำนวยและร่างกายยังไหวอาจจะได้ต่อได้เติมเรื่องราวจําพวกปัญหาที่เกิดทยอยมาระยะนี้แสดงชัดถึงสภาพของพุทธบริษัท ที่คนไทยเหินห่างจากเนื้อตัวของพระพุทธศาสนาขาดความรู้หลักธรรมวินัยไม่รู้จักคำพระคำวัดที่พูดจาคุ้นกันมาจนกลายเป็นคำพูดสามัญในสังคมไทยมีแต่ความเข้าใจผิดพลาดเพี้ยนกันไปเมื่อมีเรื่องจำพวกปัญหาเกิดขึ้นถ้าไม่ถึงกับหลงไปตามเขาก็มองไม่ออกตัดสินไม่ได้จาเป็นต้องรีบตื่นกันขึ้นมาก็สาคัญที่สุดอยู่ที่ต้องหา ต้องให้ความรู้เข้าใจที่ถูกต้องคือต้องศึกษาเมื่อรู้เข้าใจเพียงพอแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมาก็สามารถพิจารณามองออกและบอกได้ทันทีหนังสือรู้จักพระไตรปิฎกให้ชัดให้ตรงนี้มิใช่จะตอบโต้ใครแต่มุ่งรักษาประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อย่างน้อยให้ปลอดพ้นความรู้ผิดเข้าใจพลาดที่เป็นภัยสาคัญหลายอย่างคงจะยากสักหน่อย แต่ว่าด้วยเรื่องที่จำเป็นต้องรู้เพื่อมีคุณสมบัติสมกับที่ได้นับถือพระพุทธศาสนาจึงพึงอดทนศึกษาเหมือนเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นพุทธศาสนิ ก, กชนลงชื่อผู้เขียนในที่นี้คือสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธโตนะครับ12มีนาคมพุทธศักราช2558